บทเรียนจากตุ๊กตาสมตัวกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกษัตริย์องค์หนึ่งในอินเดียกษัตริย์รักฮาเวนดาผู้ที่รักในการเล่นทายปริศนาเป็นอย่างยิ่งอยู่มาวันหนึ่งพระองค์ได้รับของขวัญจากพระสหายกษัตริย์วิลาทราโอฟาบาตหม่อมฉันนาของขวัญจากองค์เหนือหัววิลาตราโอมาถวายพญาค่า นั่นต้องเป็นปริศนาอีกชิ้นแน่พระราชาของเจ้ากับข้าได้เล่นด้วยกันมาหลายตาแล้วตอนพวกเราอยู่ที่กูรูโคูทําตัวตามสบายในวังได้เลยเดี๋ยวข้าจะส่งสารกลับไปให้วิลาศหน่อยออขอบพระทยัยพะยะค่ะลองดูนะว่าเจ้าจะหาความแตกต่างของตุ๊ ก, กตาทั้งสามนี้ได้ไหมขอบใจนะวิลาศเจ้ามั่นใจได้เลยว่าข้าจะส่งคาตอบกลับไปให้ในไม่ช้า พระราชาสรงนำตุ๊กตาทั้งสตัวออกมาวางบนโต๊ะและส่งเพ่งพินิจ ด, ดิวพวกมันพระองค์ใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการตรวจสอบทุกซอกทุกมุมแต่พระองค์ก็ส่งไม่พบความแตกต่างของพวกมันพระองค์สงคิดว่าพระองค์พลาดอะไรไปเมื่อสงคิดได้พระองค์จึงส่งเรียกตัวชายผู้ที่ฉลาดที่สุดในวังเข้าพบลองดูว่าเจ้าจะหาความแตกต่างของตุ๊กตาทั้งสามนี้ได้หรือไม่กรลมอมจะทําให้ดีที่สุดพระยะคา่ะ นักปราด จ, จึงตรวจตราตุ๊กตาทั้งสามในทุกรายละเอียดที่พอจะเป็นไปได้แต่เขาเองก็ยังแยกตุ๊กตาทั้งหมดไม่ออกเช่นกันเอ๋กล้หมอมขอประทานอภัยพระยาค่ะแต่ในความคิดของหมอมชันตุ๊กตาทั้งสามเหมือนกันอย่างกับแกเป็นไปได้ยังไงกันบางทีพระสหายของพระองค์ทรงแกล้งเล่นก็เป็นได้พระยาค่ะ สหายข้าไม่เคยล้อเล่นถ้าเป็นเรื่องของปริศนาและการทายปัญหาตัวตลกราชสำนักของทําได้ดีกว่านี้นะครานั้นเองตัวตลกวังหลวงผ่านมาพอดีเขาได้ยินเรื่องนี้เข้าและทรงดิ่งเข้ามาในห้องกระมอมพรามาแถวนี้และได้ยินองค์เหนือหัวทรงรับสั่งฟาบาทต้องพระราชประสองค์อันใดทรงลีลาดหรือทรงเกมดีพะยาค่ะเออถ้านักปราดยังแก้ไม่ได้ บางทีตัวตลกอย่างเจ้าอาจทํำได้เจ้าหาความแตกต่างของตุ๊กตาทั้งสาสิรู้สึกแบบเดียวกันเลยหน้าตาเหมือนกันพวกมันน้ําหนักเหมือนกันแถมยังยิ้มเหมือนกันด้วยแล้วก็ส่งเสียงแบบเดียวกันอีกเสียงของพวกมันเงียบกริบนี่ก็เหมือนกันไม่มีความแตกต่างใดๆเลยพะยะค่ะ บาทีนี่อาจล้อกันเล่นกระมังสหายของข้าไม่เคยล้อเล่นถ้ามันเป็นปริศนาและการทายปัญหาไปให้พ้นองราชาถึงทรงจนตรอกพระองค์ทรงอนุ ญ, ญาตให้ใครก็ตามที่อยากแก้ปริศนาเข้าร่วมได้แต่ก็ไม่มีใครทำสำเร็จและวันหนึ่งคนเล่านิทานทุกเรียกตัวเข้ามาบอมฉันได้หินว่ามันมีปริศนาที่้าคาใจว่าบาอยู่เพคะ ถ้างั้นคนเล่านิทานคงไขปัญหาได้ใช่ไหมบางทีเรื่องนี้อาจเกี่ยวข้องกับปริศนาเพค้าฝาบาทหรือบางทีอาจจะมีนิทานอยู่ในปริศนาก็เป็นได้ฮ่งั้นก็ลองดูสิเรื่องเล่านะ่าจะต้องมีทั้งผู้เล่าและผู้ฟังนะเพค้าฝาบาทเออ เจ้าขอให้ข่าอยู่ก่อนงั้นเหรอใช่แล้วเพคะแล้วทั้งหมดที่หมอมชันต้องการก็คือพระเกศาสามเส้นตั้งสามเส้นนั่นเหรอทาไมกันล่ะก็สิ่งที่ดูเหมือนกันภายนอกอาจแตกต่าง ก, กันภายใดก็เป็นได้นะเพคะทีนี้ฝาบาทรงพอจะดึงพระเกศาสามเส้นให้หมอมชันได้ไหม เจ้าทำเหมือนจะสั่งค่าเลยนะโออบางทีอาจฟังดูเป็นเช่นนั้นแต่ข้าไม่ได้ขออะไรที่ไร้เหตุผลก็จริงเอานี่ไปอ้ฝ่าบาดเอาไป ความแตกต่างนี่หมายความว่าอย่างไงก็ตุ๊ ก, กตาตัวแรกคือนักพรดเขาฟังน้อมรับทุกคําและเก็บบรลึกไว้ในใจของเขาตุ๊ ก, กตาตัวที่สอคือคนเขาสิ่งที่เขาได้ยินก็จะถูกกล่าวขานไปเรื่อยตุ๊ ก, กตาตัวที่สามก็คือผู้เล่าเรื่องสิ่งที่เธอได้ยินก็จะถูกส่งต่อไปอย่างผู้อื่น งั้นเจ้าคิดว่าคนประเภทไหนกันละ่ะที่ดีที่สุดมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพะคะพระองค์เหนือหัวบางครั้งอาจมีสิ่งที่เราต้องเก็บมันเป็นความลับและบางครั้งอาจมีสิ่งต่างๆอย่างา ก, การซุบซิบนินทาที่ไม่ควรได้รับความสนใจใดๆเลยและบางครั้งอาจมีความรู้หรือบทเรียนที่เราควรแบ่งปันให้ทุกคนได้รู้ให้เป็นประโยชน์ มันไม่ใช่ตุ๊ ก, กตาเองหรอกเพคะที่ดีหรือว่าเลวมันขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นตุ๊ ก, กตาตัวไหนกับสถานการณ์ไหนต่างหากันล่ะโอ้ขอบคุณเจ้ามากนี่คือรางวัลแก่เจ้าแม่หญิงขอบใจเจ้ามากพระราชาจึงส่งคำตอบของปริศนาดังกล่าวไปให้พระสหายและขอบคุณเขาในบทเรียนอันแสนประเสริฐจากปริศนาทุกครั้งที่พระองค์จะตัดสินใจว่าจะต้องทาอย่างไรกับสารหนึ่ง จะเป็นความลับจะละทิ้งมันหรือจะแบ่งปันพระองค์จะคิดถึงตุ๊กตาทั้งสามก่อนเสมอและนั่นก็เป็นสิ่งที่ช่วยพระราชาตัดสินใจ